ตอนที่145สหความสามารถในการซื้อใจค น, ท, นท่านผูเทอเซียเมื่อหลีวันเอ่ยถึงชื่อของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการแพทย์แผนจีนผู้นี้ดวงตาของสองผู้เท่าตระกูลหยวนก็เบิกกว้างขึ้นอีกครั้งถึงขั้นที่ลมหายใจเริ่มติดขัดเจ้าเด็กคนนี้เคยพบท่านผูเท่าเซียด้วยหรือแถมเขายังจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์อีเขาว่ามาอย่างนั้นค่ะหลีวันนพยักหน้าเบาๆมุมปากยกยิ้มเล็กน้อย ท่านปู่หยวนท่านย่าหยวนให้หนูช่วยตรวจชีพจรให้ก่อนนะคะถือเสียว่าเป็นการตรวจร่างกายทั่วไปทําได้ง่ายและสะดวกมากค่ะดีงั้นเจ้ามาตรวจชีพจรให้ข้าก่อนท่านผูเฒ่าหยวนเป็นฝ่ายพยักหน้าเรียกให้หลีหวันเข้าไปหาเป็นคนแรกนิ้วมือเรือบางของหลีหวันวางลงบนข้อมือของท่านผู้เฒ่าหยวนเพียงชั่วครู่เธอก็ขอดูฟ้าที่ลิ้นและดวงตาของเขาท่านปู่หยวนคะช่วงนี้ท่านนอนหลับไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแถมพอตื่นมาแล้วยังรู้สึกปวดหัวบ่อยๆด้วยตอนไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอว่าอย่างไรบ้างคะ พวกเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยยืนยันแต่ว่าไม่เป็นอะไรท่านผู้เทหยวนมองหลีหวานด้วยความประหลาดใจไม่นึกเลยว่าเด็กสาวคนนี้เพียงแค่ตรวจชีพจรก็ดูออกแล้วช่างเก่งกาจจริงๆหนูว่าพวกเขาคงมีความสามารถไม่พอมากกว่าปวดหัวขนาดนี้จะเป็นอะไรไปได้อย่างไรหลังจากนั้นก็ไปตรวจเพิ่มอีกหลายอย่างผลตรวจก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเจ้าคิดว่ามันเกิดจากอะไรละ่ะท่านผู้เทหยวนเอ่ยถามอาการปวดหัวของผู้สูงอายุเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ถ้าผลตรวจออกมาปกติก็เป็นไปได้ว่าอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ทําให้หลอดเลือดในสมองเกิดการหดเกรงทางที่ดีควรเน้นความอบอุ่นให้มากในห้องต้องมีอุณหภูมิที่เพียงพอเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมหมวกและห้ามไปยืนตากลมในที่ที่มีลมกรกเด็ดขาดค่ะหรือวันกล่าวต่อว่าอีกอย่างคือต้องดื่มน้ําชาให้น้อยลงนะคะการดื่มชาเขียวมากเกินไปไม่เพียงแต่จะสร้างภาระให้ไตแต่ยังทําให้นอนไม่หลับได้ง่ายด้เปลี่ยนมาดื่มชาดอกไม้แทนจะดีกว่าค่ะ คราวนี้ท่านผู้เฒ่าหยวนเชื่อหลีหวานอย่างหมดใจพอลองนึกดูดีๆเมื่อคืนเขาก็ปวดหัวดูเหมือนจะเป็นเพระก่อนนอนเขาว่าไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้เล็กๆหลังบ้านมาจริงๆคงจะถูกลมเป่าจนปวดหัวอย่างที่เธอว่าแล้วร่างกายข้ามีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมไม่มีข้าร่างกายของท่านแข็งแรงมากหลีหวานสายหน้าเรื่องอายุยืนถึงร้อยปีไม่มีปัญหาแน่นอนคะ่ะ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีสุขภาพจิตที่ดีคนอายุมากขนาดท่านไม่ควรคิดและคิดน้อยต้องทําใจให้สบายและปล่อยวางค่ะเรื่องนี้ข้ารู้หมอคนอื่นก็พูดแบบนี้เหมือนกันท่านผูเถวยหยวนพยักหน้าพรางบอกว่างั้นจะช่วยตรวจให้ยายเท่าคนนี้หน่อยหลี่หวันวางมือตรวจชีพจร อ, อีกครั้งหยวนเศร้าเหิงมองหลี่หวันด้วยสายตาอ่อนโยนดูเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าเธอตั้งใจจะทําอะไรร่างกายของท่านย่าหยวนค่อนข้างหลี่หวันลังเลเล็กน้อยหูหยินเท่าหยวนใจหายว่าทันทีเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าทันย่าหยวนคะปัญหาของท่านไม่ค่อยเหมาะจะพูดต่อหน้าคนเยอะๆแบบนี้เราเข้าไปคุยกันในห้องดีไหมคะหลีหวานเสนอหู่หญิงเท่าหยวนรีพยักษ์หน้าทันทีนางอยากรู้มากว่าร่างกายตัวเองเป็นอะไรทั้งที่คราวก่อนไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ยังปกติดีท่านแม่เดี๋ยวลูกช่วยพยุงคะแม่ของเจียงสะพ้ยใหญ่หยวนลุกขึ้นช่วยพยุงหญิงชารากลับเข้าห้อง ลิวันตรวจสอบจนแน่ใจว่าในห้องไม่มีใครอื่นนอกจากแม่ของยวนเศร้าเหิงและฮ ห, หยินเท่ายวนเธอจึงเริ่มเปิดปากพูดทนยายยวนขปัญหาที่หนูจะพูดต่อไปนี้สาเหตุหลักมาจากโรคที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ตอนท่านคลอดบุตรเมื่อสมัยยิงสาวค่ะลีหวันกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังลมปราณและเลือดของท่านค่อนข้างพร่องดูเหมือนตายจะไม่ค่อยดีด้วยท่านพอจะบอกอาการทางร่างกายให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะใช่แล้วล่ะ ตอนที่ข้าคลอดจะลูกชายคนที่สองข้าเสียเลือดมากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นตอนอยู่ไฟก็ดันมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านร่างกายก็เลยซุ่โซมตั้งแต่นั้นมายิ่งตอนนี้อายุมากขึ้นแม้ช่วงไม่กี่ปีมานี้จะรู้สึกว่าบำรุง ม, มาดีแล้วแต่ความเสียหายที่สะสมมาตั้งแต่ตอนอยู่ไฟมันยากจะฟื้นฟูกลับมาได้จริงๆฮูยินเฒยวนกล่าวพลางชะงักไปครู่หนึ่งเหมือนไม่แน่ใจว่าควรจะบอกเด็กสาวคนนี้ดีไหมเพราะอย่างไรเธอก็ยังเด็กพูดไปก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่า ท่านมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะทัานยายนหนูเป็นหมอข่าท่านต้องบอกอาการทุกอย่างตามความจริงหนูถึงจะวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยํากับหมอไม่มีอะไรต้องเขินอายคะ่ะคือว่าฮูหยินเท่าหยวนขมวดคิ้วคราก่อนที่ข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าข้ามีการติดเชื้อในส่วนนั้นแต่เมื่อพิจารณาว่าข้าอายุมากแล้วจึงไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเขาแค่จัดยามาให้ทานแต่ปัญหาก็ยังไม่หายขาดจนตอนนี้ข้าชินกับมันไปเสียแล้วท่านแม่ แม่ของหยวนเศร้าเหิงมองแม่สามีด้วยความกังวลมันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรือคะทำไมกลับมาแล้วไม่เห็นบอกพวกเราเลยเรื่องพันนี้จะให้ข้าพูดออกมาได้อย่างไรละ่ะอูญินเท่าหยวนรู้สึกลําบากใจที่จะเอ่ยถึงท่านย่ายวนคะแบบนี้ท่านทําให้ถูกนะคะมีปัญหาอะไรต้องรีบบอกทันทีค่ะหลิหวันตรวจชีพจรให้นางอีกครั้งความจริงแล้วอาการแบบท่านมีผู้สูงอายุเป็นกันเยอะข้าเรื่องผ่าตัดนั่นะไม่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าปล่อยไว้เฉยๆก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกัน หากปล่อยไว้เป็นเวลานานร่างกายย่อมได้รับผลกระทบแน่นอนหรือวันครุ่นคิดครู่หนึ่งระลองทานยาจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกายดูก่อนนะคะแล้วค่อยดูอาการกันอีกทีคราวก่อนที่โรงพยาบาลก็จัดยามาให้ข้าอยู่นะถ้าอย่างนั้นท่านช่วยเอายาออกมาให้หนูดูหน่อยคะถ้าขาดหรืออะไรหนูจะได้เพิ่มให้ เมื่อหลี่หวานกล่าวจะผู้หญินเท่าหยวนก็ชี้ไปที่ใต้ตู้ค้างๆหลี่หวานเดินเข้าไปดูพบว่าส่วนใหญ่เป็นยาแผนปัจจุบันซึ่งตัวยาไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เพียงแค่ต้องเพิ่มถุงยาสมุนไพรสำหรับใช่เข้าไปก็พอท่านยาหยวนขนูจะเขียนใบสั่งยาให้ท่านหลังจากได้ยามาแล้วต้องนำมาต้มทุกวันพออุ่นลงแล้วก็นำมาใช้แช่ตัวซิกแบทนะคะปัญหาจะคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วแน่นอนคะ่ะหลี่หวานกล่าวเสริมว่าแต่ถ้าท่านทนไม่ไหวจริงๆเราค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดกันคะ่ะ อึมอมได้เลยหูญินเท่าหยวนพยักหน้าซ้ำๆในใจยิ่งยอมรับในตัวหลีหวานมากขึ้นเห็นอายุน้อยแบบนี้แต่ความสามารถกลับไม่ธรรมดาเลยจริงๆเก่งกาจมากความจริงแล้วอาการของท่านยิงถือว่าดีนะคะหลีหวานชวนคุยสเพเรกบางคนมีลูกหลายคนคลอติดติดกันปัญหาแบบนี้จะยิ่งรุนแรงกว่านี้มากหากพิจารณาในแง่ของร่างกายยิ่งมีลูกมากเท่าไหร่ผลกระทบต่อร่างกายก็ยิ่งมากเท่านั้น แต่เรื่องการมีบุตรก็เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนค่ะเฮอลูกเต้าก็คือหนี้ที่เกิดมาให้เราชดใช้ผู้อินเท่าหยวนเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้จึงแค่เสียงหือออกมาสงสัยชาติก่อนข้าคงติดหนี้เจ้าลูกชายคนที่สองไว้ตอนข้าคลอดลูกคนโตทำไมไม่เห็นเป็นแบบนี้บ้างนะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะคะท่านรู้จักแม่ของหนูไหมคะหลี่หวันกล่าวแม่ของหนูเพิ่งคลอดลูกคนที่สามไปเมื่อไม่นานมานี้เองแน่นอนว่าหนูไม่รู้ว่าตอนแม่ท้องหนูเป็นอย่างไร แต่ไม่ว่าจะเป็นตอนท้องน้องชายคนที่สองหรือน้องชายคนเล็กแม่ไม่เคยต้องลำบากเลยค่ะตอนคลอดก็ราบรื่นมากขนาดไม่ยังบอกเลยว่ายังไม่ทันจะเจ็บท้องเท่าไหร่เด็กก็ออกมาแล้วนี่แหละก็คือเด็กดีที่เกิดมาเพื่อนำโชคมาให้จริงหรือถ้าอย่างนั้นแม่ของเจ้าก็เป็นคนที่มีบุญมากจริงๆรูง ห, หญินเท่าหยวนเห็นด้วยกับสิ่งที่หลีหวานพูดลีชิงพิงจะไม่เป็นคนมีบุญได้อย่างไร ขนาดหอบลูกสาวติดมาด้วยยังสามารถแต่งงานกับผู้การเจิ้งที่เป็นหนุ่มโสดสิงได้แถมหลังจากแต่งงานยังคลอดลูกชายติดต่อ ก, กันถึงสองคนช่วยตอกย้ำฐานะสไพยรองของตระกูลเจิ้งได้อย่างมั่นคงไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรอกนะที่จะมีบุญวาสนาดีขนาดนี้